ก็เป็นบรรยากาศนะตอเช้าริมฝั่งโคงหมอ ก, ก็เยอะทั้งหมอกทั้งหนาวเราหลายคนก็เจอตำหนาวก็พักผ่อนกั น, นที่เหลือก็มาทาวัดกั น, น, ะนะก็เราก็ได้สาทยายทมไม่มีตอนหนึ่งที่พระเจ้าท่านกล่าวไว้วก็น่าสนใจถ้าเรา เรียกว่าหยิบมาพิจรารณาให้ดีๆนะก็จะเรียนรู้จากสิ่งนี้ได้เยอะอทุกเจ้าท่านสอนเรื่องของความทุกข์ความทุกข์ที่พระเจ้าท่านสอนท่านยอ่อให้แบบชัดเจนมากว่าได้ย่ออุปทานขันธทั้งห้าคือตัวทุกข์โดยย่อแท้ๆจริงแล้วความทุกข์เกิดจากการที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านี่เอง้ขันธ์ทั้งห้าคืออะไรดู รูปก็คือร่างกายภาษาง่ายของเราการยึดมั่นถือมั่นในรูปเทปในรูปของตนเองก็ดีรูปของผู้อื่นก็ดีอันนั้นแหละคือตัวทุกจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปอะไรหรือว่าเป็นรูปที่เป็นวัตถุวัตถุภายนอกนันก็เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นอันนี้คือการยึดมั่นถือมั่นในรูปคนส่วนใหญ่ก็ยึดมั่นถือมั่นในรูป รูปของตนเองนะูปของคนอื่นหรือวัตถุสิ่งอื่นซึ่งนามาขึ่งความทุกข์ที่จริงอาจจะไม่ใช่แค่การทุกข์ตอนที่มันสูญเสียพัดพลาดไปที่จริงก็ทุกข์ตั้งแต่ตอนที่อยากจะได้มาครอบครองแล้วแหละอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงรูปของคนรูปของตนเวลาเราต้องการวัตถุนะหรือว่าสังคมสมัยนี้ก็เป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นวัตถุนิยมบริโภคนิยม เมื่อต้องการวัตถุที่จะนํามาบริโภคใหม่ๆนะสิ่งที่กระตุ้นแล้วจิตใจพคนนั้นมันก็นํามาซึ่งความทุกข์แล้ว<ม>เห็นคนอื่นเขามีมากกว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสิ่งของต่างๆเมื่อใจไม่รู้จักพอกับสิ่งที่ตัวเองมีไม่รู้จักยินดีในสิ่งที่ตัวเองได้มันก็เกิดความอยากอยู่ร่ําไป อันนั่นแหละก็นํามาซึ่งความทุกข์แล้วก็คือการที่เรายึดมั่นในรูปนะมีอุปทานในการยึดอยากจะได้รูปที่มันที่ยังไม่ได้อ่าที่ที่น่าปรารถนาที่น่าพอใจอันนี้แหละคือความทุกข์ถ้าเราพิจารณาดีๆนะการแค่การยึดการมีอุปทานในรูปตัวเดียวนี้ก็นํามาซึ่งความทุกข์มากมายเลยนะีจะเป็นรูปของตนในการห่วงแหน ในการรักษาในการดูแลในการที่เรียกว่าอยากให้มันดีตลอดเวลาในร่างกายนี้ก็ดีนะร่างกายนี้เราก็พยายามที่จะอยากให้มันดีตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลไม่รักษาดูแล ร, รักษาแบบรู้เท่าทันว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของที่ประกอบกันด้วยธาตุสี่เพ่านั้นมันเป็นของที่เกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไป นะไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้ได้ไม่จะรักษาไม่จะดูแลขนาดไหนก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายเป็นธรรมดานะดังนั้นแต่การที่เราดูแลรักษาลูปของเราเองก็ดีก็ดูแลเพียงเพื่อดำรงธาตุขันเพื่อฝึกให้เกิดประโยชน์ตนให้สูงสุดหรือเพื่อนะมีชีวิตเพื่อประโยชน์ท่านให้สึงที่สุดอย่านงะถ้าเราเห็น พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ดีหลายองค์ท่านก็จบกิจของท่านแล้วแต่ท่านก็ดำรงธาตุขันไว้เป็นโลกร้ายขนาดไหนแต่ท่านก็ดำรงธาตุขันไวเ้เพื่อเพื่อสั่งสอนลูกศิษย์ไม่ให้เรียกว่าให้เข้าถึงคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ดีท่านเจ็บป่วยทรมายขนาดไหนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านท้องเสียด้วยอาหารเป็นพิษปวดท้องท่านก็ยังเรียกว่าอุตสาเดินทางไกลเพื่อมาโปรดสาวกองสุดท้ายเอาพระพุทธเจ้าเองก็ดีพระอริยสงฆ์ต่างๆก็ดีถ้าก็ดำรงท่าคันไว้เพื่อเพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายมีตัวอย่างหนึ่งที่ที่เรียกว่าประทับใจมากใน ในช่วงสมัยที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์พวกพรรคคอมมิวนิสต์เองแล้วก็ทหารเองก็เรียกว่าทําลายาศาสนาต่างๆรวมทั้งาศาสนาพุทธในเมืองจีนด้วยก็มีหลวงปูท่ที่เรียกว่ามีคนนับถือมากในเมืองจีนอยู่รูปหนึ่งท่านชื่อหลว ง, งปูซ่ซื้อยื่นเนี่ยก็เป็นหลวงปูท่ที่ท่านก็ พระอาะต่ยในวัดของของท่านเวรยง่างท่านเวรยงล่างถ้าเราก็รู้จักนะท่านเวรยงล่างท่านาตั้งวัดอยู่ในที่มณฑลแห่งหนึ่งอยู่ยในมณฑลกวางตุ้งนะหลวงปู่ซื่อยุ่นนี่ก็อยู่ในวัดของที่ท่านเวรยง่างตั้งไว้นะทหารก็ได้ว่ามาคอยดูแลรักษาเชฟงัวเพราะว่า การเผยแพร่ธรรมในสมัยที่คอมมิวนิสต์ปกครองใหม่โดยเฉพาะช่วงต้นๆมีความเข้มข้นมากเนี่ยเขาเรียกว่าพระบางรูปก็โดนโดนฆ่าโดนทำลายหรือว่าขอให้ถึกไปแต่ถ้ารูปใดจะอยู่ก็เรียกว่าจำกัดบทบาทหน้าที่ในการสอนมากนะอยู่ดำรงกิจบางอย่างเท่านั้นก็มีวันหนึ่ง <c oughs> ทหารที่มาเฝ้าอยู่หน้าวัดก็เป็นพวกก็เป็นทหารหนุ่มวัยรุ่นใจร้อนมีการกินเหล้าบ้างนะ ก็ออกไปกินเหล้าเมายากันมากลับมาก็ด้วยความคึกขนองก็เรียกว่าอาจจะคึกขนองเป็นลืมตนมากๆหรือว่าด้วยความคึกขนองด้วยความเพลิดเพลินก็ทำร้ายหลงปู่ซื้อยื่นจนกระทั่งได้ว่าเกือบปางตายนะเกือบปางตายท่านก็ไม่มีลูกศิษย์ของท่านมาเห็นจะนั่งตอนเช้ามีลูกศิษย์มาเห็นว่าท่าน รอแรกใกล้ฟางตายแล้วเพราะโดนทหารทําร้ายแต่ก็ไม่สามารถเอาผิดกับทหารต่างๆนั้นได้เพราะว่าอืเขาเป็นฝ่ายปกครองก็ได้เสียเพียงแค่พาท่านไปบาบัดรักษาอาการาต่างๆแต่ติดส่วนใหญ่ก็เรียกว่าทําใจแล้วเพราะว่าหลวงปู่ท่านอายุมากแล้วแล้วลก็โดนทาร้ายหนักมากด้วยคิดว่าอย่างนี้ก็ตายแน่นอนนะก็แต่ ทุกคนก็สังเกตอาการของหลวปู่ท่านท่านเหมือนต้องการที่จะไม่อยากตายก็คือพยายามที่จะดิ้นร น, นขนาถ่บำบัดดูแลรักษาตนเองให้ไม่ตายให้ได้คล้ายๆทั้งใจที่จะยื้อชีวิตไม่ใช่ทั้งใจที่จะละวางชีวิตคล้ายๆเพราะว่าคล้ายเหมือนถ้าคนทั่วไปดูแล้วเหมือนห่วงร่างกายหรือว่ากลัวตาย ลูกศิษย์หลายคนก็รู้สึกว่าเออเราอุตส่าห์นับถือหลวงปู่มาขนาดนี้แต่ทำไมพอเวลาท่านจะไปท่านกลับมากลัวตายห่วงร่างกายห่วงชีวิตแบบนี้ <c oughs> หลายคนก็เรียกว่าหมดศรัทธาในตัวท่านไปหรือว่าเกิดความสงสัยดังเลนในตัวท่านมาก <c oughs> แต่พอแต่ท่านก็ในช่วงสาหัสนั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเลยได้ท่านก็ <c oughs> ค่อยๆดูแลแตัเองอย่างง ฟื้นขึ้นมาอย่างเเรียกว่าเป็นปาฏิหาริมากปาฏิหาริที่กลับมามีชีวิตยอยู่ได้เมื่อท่านพอจะพูดคุยได้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งคางแขงใจในตัวท่านก็เข้าไปถามไปถามท่านทำไมหลวงปู่ไม่สอนพวกเราให้เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในร่างกายนี้ให้เตรียมตัวพร้อมที่จะตายใ ห, ให้มีธรรมะดำรงจิตให้ตั้งมั่นอยู่ แต่ทำไมหลวงปู่ไม่จะทำเช่นนั้นหลวงปู่ใกล้จะตายรอดได้แล้วทำไมไม่ไม่วางชีวิตเสียท่านตอบด้วยเมตตาธรรมมากท่านบอกว่าถ้าเราตายในตอนนี้คนที่ทําร้ายเราก็ตกนรกหมดไหมท่านตอบแค่นี้นะพวกเราก็เข้าใจทันทีเลยว่าอคือมันมีในโทษหนึ่งนะที่ในอนันตริยกรรม การเรียกว่าการฆ่าพระอรหันต์นี่เป็นหนึ่งในอนันตริยกรรมก็มท่านด้วยความเมตตาคนที่ทำร้ายท่านท่านไม่ท่านไม่ตายเพราะว่าการที่เขามาทำร้ายเพื่อให้โอกาสเขาไม่ให้เขาตกนกอื ม, มันเป็นความเมตตาอย่างที่เรียกว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจริงๆเมตตาแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายท่านจนด้อแลบฟังตาย ท่านดำรงท่าขันเพื่อไม่ให้เขาต้องรับรับใช้กรรมในการที่ทำร้ายท่านอันนี้เป็นเราเห็นโอ้มันเป็นตัวอย่างที่ที่น่าประทักใจมากหรือแม้แต่หลวงพ่อทงเขียนเราเองก็ดีเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าที่หลวงพ่อยังไม่ตายท า, ทางท้งที่ถ้าจะไปก็ไปได้แต่หลวงพ่อก็ต้องการที่ยะอยู่ คพือที่จะสอนธรรมะให้แก่ผู้ค น, นถ้าจะไปหลวงพก็เรียกว่าไปง่ายกว่าถ้าจะฟื้นขึ้นมาในการที่เรียกว่าบำบัด ร, รักษาอาการของโรคภัยนี่มันเป็นสิ่งที่ลำบากแต่ท่านก็สามารถทำได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของโรคภยัยแต่ตัวอย่างของปู่เสื้อยื่นก็เป็นโรคเรื่องของการโดนทาร้ายของผู้คนแต่ความเมตตาก็มีเหมือนๆกัน พอเราเห็นว่าโอ้ที่จริงแล้วร่างกายนี้เนาะมันก็มีประโยชน์มากมายในการที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือในการในการพัฒนาจิตใจหรือเป็นเครื่องมือในการที่เรียกว่าชื่อเหลือผู้คนชื่อเสือสรรสัตว์ทั้งหลายแต่จะทำอย่างไรล่ะมันถึงจะเป็นความพอดีระหว่างการที่เรียกว่า <c oughs> ดูแลร่างกายกับการไม่ยึดมั่นในร่างกายนี้หรือว่าการดูแลผู้อื่นที่เป็นบุคคลในครอบครัว บุคคลที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายคนที่ได้สัมพันธ์กันมาเราจะดูแลเกื้อกูลกันอย่างไรให้เป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นในกันนัดกันหรือเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ได้ผูกพันจนกรทั่งขาดกันไม่ได้เมื่อต้องจากกันไปแยกกันไปตามเหตุตามบัตรใจเขสามารถนำหรงจิตให้เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่โศกกับการพัดพาคญเสียนั้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า สำคัญมากถ้าเรารู้ความจริงถึงเนี่ยถ้าเราไม่มีอุปทานในการยึดมั่นถือมั่นในรูปในบุคคลในตัวตนแล้วความทุกข์มันก็ไม่สามารถเข้ามาครอบงมได้เพราะที่จริงความทุกข์มันเกิดจากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลหรือบางทีเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ได้กระทำซึ่งกันและกันนะเคยทาดีด้วยกันเคยเชื่อช่วยเหลือกัน เคยเพื่อกูลกันนะหรือว่าเคยมีวิตภาพแบบไหนที่ลึกซึ้งต่อกันมันก็ย่อมนํามาซึ่งความผูกพันแล้วก็รักกันแล้วก็อะไรอาวรนจากต่อกันเมื่อต้องจากกันไปก็ต้องโศกเสียใจไปแต่ถ้าเรารู้ความจริงตัวนี้ได้นะที่จริงเราสามารถฝึกได้จนกระทั่งไม่เศร้าศกเสียใจเลยนะกิริยาภายนอกอส่วนใหญ่ก็ สงบนิ่งนะเมื่อคนที่เราผูกพันจากกันไปแล้วก็สงบนิ่งไม่ทุกข์ใจนะกรถามว่าร้องไห้เสียใจได้หรือเปล่าถ้ากระทำเป็นเพียงแค่กิริยาอาการภายนอก <c oughs> ก็อาจจะทําได้นะแต่ถ้ากิริยาภายในใจแล้วมันเป็นปกติอยู่อันนั้นแหละคือผู้ที่เรียกว่าอนะรู้ท่าทางความจริงนะนะแต่ในขณะที่บางบุคคลอาจจะยังฝึกยังไม่ได้ดีนะ ความเศร้าสศกเสียใจก็จะน้อยกว่าคนทั่วไปหรือถ้าเศร้าโศกเสียใจก็จะรู้รู้ทันตัวได้เร็วก็จะไม่จมกับความทุกข์ความเศร้าความพัท่าสูญเสียไปเขาเรียกว่ากลับมาได้เร็วกว่าคนปกติอันนี้แหละเัาก็มีหลายระดับนะระดับที่เรียกว่าไม่ทุกข์เพราะว่าเห็นความจริงหรือระดับที่เรียกว่า อ, อาจจะยังทุกข์นะ เพราะสิ่งตรงนั้นพัดผ้าไฟแต่ก็มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาได้เร็วนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น <c oughs> มันก็อยู่ที่ภูมิธรรมหรือว่าประสบการณ์ในการฝึกของแต่และบุคคลนะแต่ถ้าให้ดีถ้าเราเห็นความจริงถรงนี้แล้วแม้แต่สิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นพัดผ้าไปเราก็ไม่ทุกข์ใจหรือแม้แต่ตัวเราเองจะต้องพัดผ้าจะสิ่งต่างไป เราก็ไม่เสียใจไม่เสียดายนะอันนี้คือถ้าเราเห็นความจริงในการที่เรียกว่า <c oughs> อุปทานเนะี่ยในรูปเนะี่ยมันมาซึ่งความทุกข์อนส่วนหนึ่งในอุปทานทั้งสี่เนะี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเวทนานะความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเป็นกลางกาไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญาความจาได้หมายรู้นะจะจำอะไรก็แล้วแต่สังขารการปรุงแต่งนะวิญญาณคือการรับรู้อันนี้ไม่ได้บายเป็นแต่ละตัวนะแต่มันก็เป็นอยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นเรื่องของนามธรรมาเรื่องของจิตใจก็คือถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของจิตใจเรื่องที่เป็นรูปเรื่องที่เป็นนามธรรมาอันนี้แหละก็นํามาคึี่ความทุกข์ได้เช่นเดียวกัน ที่จริงไอ้การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นนามธรรมนี่แหละมันกับทุกมันกับแบบดึกซึ้งหรือว่าละเอียดอ่อนยิ่งกว่าการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของรูปหรือเรื่องของวัตถุบางทีการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของรูปวัตถุบางทีมันมันค่อนข้างจะเห็นง่ายว่ามันเปลี่ยนแปลงแก่เจ็บตายไปหรือว่าถ้าเป็นวัตถุภายนอกก็เรียกว่าทําไปนะหรือว่าใช้ไม่ได้ไปอันนี้ เราก็เห็นเป็นโดยธรรมชาติโดยตาเนื้อมันก็เห็นหรือว่าโดยเห็นโดยสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันก็เห็นได้ชัดเห็นได้บ่อยนะแต่สิ่งที่เห็นที่เป็นการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นนามธรรมนี้มันลึกซึ้งมากโดยเฉพาะนามธรรมที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีนะเป็นความรักความดีที่มีต่อกันหรือเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องของปัญญา ทีมันก็เป็นเรื่องตัวนี้เหมือนกันนะเวลาบางทีภาวนาไปเนี่ยมันมียามีความรู้ที่เป็นเรื่องของความสุขความสงบหรือบางทีมันก็รู้รู้ที่เป็นเรื่องของปัญญาแตกฉานนะในเรื่องของความรู้ต่างๆพอจะให้วางไอ้ความรู้สึกในด้านดีนะมันทำได้ยากเพราะว่าอะไรเราก็ปฏิบัติเราก็ฝึกจิต เ, เพื่ออยากจะได้ดีเพื่ออยากจะให้มีปัญญาเพื่ออยากให้เกิดความรู้ พอบอกว่าให้รู้แล้ววางมันไม่ค่อยอยากจะวางเพราะว่ามันอยากจะเอานะมันมีแต่ความอยากจะเอาด้านดีก็อยากจะเอาด้านไม่ดีก็อยากจะเอาทิ้งไปมันก็มีแต่เอาเหมือนกันมีแต่เอาเข้าตัวก็เอาทิ้งไปนะแต่จะทำอย่างไรเราถึงจะมีปัญญาในการรู้ทั่วทันว่าการยึดมั่นถือมั่นแม่นแต่ในด้านนำมาทำที่ด้านที่ดีนี้มันก็นามาสร่งความทุกข์นะมันไม่ก็ไม่ต่างจากการที่ ไปยมันถือมั่นในด้านที่ไม่ดีที่เป็นเรื่องของกิเลสของตัณหาแต่จริงในด้านที่บอกเป็นด้านดีมันก็เป็นเป็นเท่าว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งของกิเลสตัณหาเหมือนกันแหละที่จริงกิเลสตัณหาน่โรคโกรธอันนี้เราก็มองเหมือนคล้ายๆมันเป็นเรื่องของโรคเรื่องของของโกรธมันก็เป็นด้านที่เป็นอกุศลที่ค่อนข้างชัดแต่ด้านของความหลงนี่แหละบางทีมันเอาบวกด้ เอามารวมถึงสิ่งที่เหมือนจะเป็นกุศลแต่มันก็พลิกกลายเป็นอภิสสนได้เมื่อเราไปยึดมันนะ <c oughs> คือความสุขก็ดีความสงบก็ดีความรู้ก็ดีมันดีนะมันดีในตัวของมันแต่เมื่อไร่ที่เราไปยึดไว้อันนั้นมันกลายเป็นความไม่ดีนะความดีเลยกลายเป็นความไม่ดีนะความปกติก็กลายเป็นความไม่ปกติไปเพราะเราไปยึดมันไว้ท่านนี้ น, นะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในเรื่องของ จิตใจเรื่องของนามธรรมถ้าเราฝึกในการมีสติรู้เท่าทันก็แค่ดูดูอาการที่เกิดขึ้นกับจิตดูสิ่งที่ผ่านเข้ามากับจิตแล้วก็ผ่านไปให้เห็นว่าจิตเดิมแท้แล้วที่แท้แล้วตัวตนที่แท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้ทุกข์กับอะไรทางนั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นนั้นเองจิตเดิมแท้มันเป็นเช่นนั้นแต่ อุปกเกเรตหรือว่าอาการต่างๆเข้าจอนเข้ามาชั่วคราวนะถ้าเราดูเราก็สังเกตร้องชัดจริงอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่ความรู้ต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้ น, นเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ยึดไม่ถือไว้ปล่อยมันตกไปมันก็ไม่ทุกข์นะทุกข์เพราะว่าไปยึดทุกข์เพราะาไปถือทุกข์เพราะว่าไปแบบเมื่อวางได้เมือม่อรู้ทันได้มันก็เกิดการวางได้ เกิดความปล่อยได้เกิดความเรียกว่าไม่ทุกข์ได้นี่มันก็ทำได้เพราะที่จริงหลักสาคัญของการภาวนาคือนี่แหละคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนนะจะเป็นตัวตนของเราเองก็ดีตัวตนของผู้อื่นก็ดีตัวตนของสิ่งอื่นก็ดีแค่รู้เท่าทันอันนี้ตัวตนที่เป็นรูกประทัและก็ตัวตนที่เป็นนามธรรมนี่เนี่ยถ้าเราทะลุตรงนี้ได้นยโอ้มันเรียกว่ามันตรงที่สุดเลย จะภาวนาด้วยแบบไหนวิธีไหนนะในรูปแบบภายนอกหรือว่าในรูปแบบภายในจะทําวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าภาวนาเพื่อทําลายการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันทั้งห้านั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาหลอกลวงให้เกิดเป็นความทุกข์อันนั้นเมื่อเราเห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่น เมื่อวางมันได้จิตก็เกิดความเบาเกิดความสบายเกิดความเป็นปกตนะิเกิดความที่เรียกว่าไม่ทุกข์ใจนะนนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราจับหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนได้จะภาวนารูปแบบไหนหรือจะทํากิจวัตรประจําวันเช่นใดนะหรือจะเกี่ยวข้องกับบุคคลอย่างไรก็สามารถเกี่ยวข้องได้กนะิยาภายนอกบางทีจิ้มแย้มแจ่มใสดูแลรักษาสิ่งของต่างๆนะ เทคแคร์ care, ผู้คนอย่างดีไม่ต้องไปหลีกนะีไม่ต้องไปไงไปล่อยปละละเลยแต่ภายในใจของเราแล้วเรารู้ทันความจริงตรงนี้เมื่อสิ่งต่างๆตอนนั้นมันเปลี่ยนมันแปลงมันจากไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าในขณะที่ปฏิสัมพันธ์กันเราได้ดูแลกันดีแล้วเราได้ทําเต็มที่แล้วนะแต่บางทีบางคนคิดว่าบางทีบางคนห่วงพ่อห่วงแม่เนา ะ, นะก็ พ, พ่อแม่หรือว่าคนที่เรารักจากไปก็โศกเสียใจว่าเราจะไม่ได้ทำมากพอนะอยังไม่ได้ดูแลมากพอแต่จริงโดยส่วนตัวผมแล้วคิดว่าประเด็นมากมากหรือน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นสาคัญแต่ประเด็นที่น่าสําคัญมากกว่าสิ่งที่เราได้ทำให้แก่กันและกันมันเป็นสิ่งที่ดีพอแล้วหรือยังหมายถึงว่ามันดีมันถูกดีหรือว่าถูกที่ไหนถูกที่ธรรมะนะ บางคนมีเวลาอยู่ด้วยกันมากนะแต่อาจจะไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิตซึ่งกันและกันเลยนะก็มีแต่ดูแลกันเรื่องของการกินการอยู่หรือว่าสนทนาพูดคุยกันเป็นเรื่องสัพเพเหระกันไปแต่อาจจะไม่เคยคุยกันเรื่องของธรรมะเรื่องของสาระของชีวิตเรื่องของการที่จะเรียกว่าจะลงจิตจะลงใจให้สูงขึ้นไป เรื่องของศีลเรื่องของทานเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาอาจจะไม่คบกันคุยกันเรื่องนั้นเลยเน่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญกว่าการทําอะไรให้แก่กันและกันมากหรือน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่สาคัญที่สุดแต่การที่ทําอะไรในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสาระสําคัญของชีวิตเป็นการยกระดับจิตระดับใจซึ่งกันและกันให้ถูกขึ้นไปมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าสําคัญมากเหมือนยังมีตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าท่าน ท่านเปรียบเทียบถึงถึงบุตรนะถึงลูกที่ดูแลพ่อแม่ท่านบอกว่าแม่ลูกคนนั้นจะเอาพ่อไว้บนบ่าข้างหนึ่งเอาแม่ไว้บนบ่าข้างหนึ่งป้อนข้าวป้อนน้ําเช็ดยี่เช็ดกี้เ ช, ช็ดเที่ยวพัดวีดูแลยกท่านในฐานะอย่างดีเป็นเวลาร้อยปีพระพุทธองค์ท่านบอกว่าอันนั้นยังยังไม่เป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่อย่างสูงสุดเลย แต่ถ้าลูกคนในทำให้พ่อแม่ที่ตันีทีเหนียวให้รู้จักการจาคะรู้จักการสระรู้จักการทําทานถ้าลูกคนในทำให้พ่อแม่ที่ไม่มีศินที่สินด่างพ้อยให้ได้มีศินถ้าลูกคนในทำให้พ่อแม่ที่เรียกว่าไม่ไม่รู้จักการภาวน า, า ก, การฝึกจิตฝึกใจให้รู้จักการฝึกจิตฝึกใจ น, นั้นแหละ แม้จะทำเพียงแค่เล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับจิตระดับใจของท่านให้สูงขึ้นไปอันนั้นท่านบอกว่าเป็นการตอบแทนบุคคลของท่านที่สูงสุดนั่นเราเห็นว่าอ้อที่นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อเจ้าท่านไม่ได้ให้ความสุ ข, ขัญที่ปริมาณของการให้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระสําคัญแต่ท่านเน้นที่เรียกว่าคุณภาพของสิ่งที่ได้ให้ซึ่งกันและกันนั้นในเวลาที่เราได้ คุ้เคยได้คบกับใครได้สัมพันธ์กับใครหรือกับสิ่งของใดก็แล้วแต่ถ้าเราสัมพันธ์กันด้วยนี่แหละสิ่งที่เป็นคุณธรรมสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยกระดับจิตระดับใจให้แต่ละคนได้สูงขึ้นไปอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วเมื่อเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้ทําตรงนั้นแล้วแม้วันหนึ่งต้องทัดภาพจากกันไปด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เราก็วางได้เพราะว่าอะไรเราได้สัมพันธ์ใน ในฐานะที่ดีที่สุดแล้วแต่ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วหรือแม้แต่การที่เราได้รับเองก็ได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเมื่อท่านจากไปเช่นครูบาอาจารย์พ่อแม่ท่านก็เคยได้ให้ในสิ่งที่ดีแก่เราแล้วเมื่อท่านจากเราไปเราก็ไม่ก็ไม่ต้องไปทุกขโศกเสียใจอะไรเพราะว่าสิ่งที่ท่านให้มันก็เป็นสิ่งที่มาอยู่ในตัวของเราแล้วะเป็นคุณธรรมที่เราได้ฝึกตามเป็นธรรมะที่เราได้เรียนรู้ตามครูบาอาจารย์แล้วนั่นมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า เกิดความป่อยวางได้เพราะว่าถนักรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคืออะไรได้ให้กันได้กันได้หรือยังนะให้เอาจากกันได้กันได้หรือยังนะแต่เป็ น, เ ป, นเป็นการให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นการเอาโดยไม่ไม่ใช่เป็นการยึดถือเป็นการมีแบบที่ไม่มีนะมีคุณธรรมมีปัญญาแบบไม่มีตัวตนเข้าไปยึดนะ ว่าเป็นเราเป็นเขาเช่นนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็สำคัญมากเนาะก็ให้เราพิจารณานะโดยแยกคายในในเรื่องของธรรมะในแง่ตรงนี้ให้ดีนะต่พิพจารณาก็คือการที่เรียกว่าอ่าพิจารณาที่เกิดจากปัญญาของการภาวนาแล้วก็เข้าใจเองก็ดีหรือบางทีก็อาจจะใช้ ว่จิตเป็นสมาธินะจิตมันตั้งมั่นหรือว่ามีความสุขความสงบเกิดขึ้นใช้ปัญญาในการคิดพิจารณาบ้างนะตอนนี้ก็จะเป็นการน้อมทำให้จิตมันคล้อยนะนคล้อยไปทางนั้นแม้มันทีอาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนจิตให้มันเข้าใจความจริงเช่นนั้นได้แต่อย่างน้อยจิตมันก็เรียกว่าโดนกล่อมนะคล้ายๆโดนกล่อมเข้ามาในแนวทางที่เรียกว่าเกิดปัญญาเกิดความจริง เกิดความรู้นะยอมรับความเป็นจริงได้เหมือนคล้ายๆถ้าภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกเนาะเมื่อเราพิจนารณาเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆมันก็สอนจิตใต้สํานึกนสอนจิตใต้สํานึกให้มันเชื่อไปทางนั้นเมื่อมันเชื่อไปทางนั้นมันก็เรียกว่าเกิดความไม่ทุกข์เกิดความปล่อยวางได้แต่ถ้าเราภาวนาถึงที่สุดที่แท้จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการสอนแต่เป็นการที่จิตมัน เข้าใจความจริงด้วยตัวของมันเองแล้วก็เกิดปัญญาด้วยตัวของมันเองไม่ใช่ว่าเรารู้เราเก่งเราฉลาดแต่มันเป็นเรื่องของจิตที่มันรู้มันฉลาดแล้วก็มันปล่อยวางของมันเองอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากในเรื่องของอุปทานคทั้งข้าเนี่ยแหละเป็นตัวทุกข์นะทำอย่างไรเราเธอจยังจะเห็นจึงจะเห็นว่าอุปทานมันไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากปติเนี่ย ก ส, สติความรู้สึกตัวเนี่ยแหละไปเรื่อยๆจนทั่งสติมันพัฒนาจนะทั่งเป็นปัญญาในการเห็นความจริงแล้วก็เกิดกำ ร, รู้แจ้งเห็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นที่สําคัญที่สุดมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่ากายว่าใจหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสำคัญวิญญาณมันเป็นตัวทุกข์นะมันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่มีตัวไม่มี ต, ไมมตนไม่ใช่ ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครมันเป็นเพียงแค่เหตุแค่ปัจจัยมันเห็นความจริงตรงนี้แหละมันถึงไม่มันถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างแท้จริงเพราะว่าเห็นว่ารูปมันก็เป็นทุก์เวทนามันก็เป็นทุกสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทุกมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะปัญญาไปเห็นตรงนี้แหละมันถึงวางได้จริงจริงก็ฝากไว้นะ